คำว่าเพราะฉะนั้นแหละภิกษุไม่พึงอาศัยรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบศีลและวัดเนี่ยนะคำว่าเพราะกาะนั้นเหตุนั้นปัจจัยนั้นนิทานนั้นภิกษุไม่พึงอาศายัยไม่พึงถือไม่พึงยึดมั่นไม่พึงถือมั่นซึ่งรูปารมณ์คืออย่าไปยึดถือว่าซึ่งรูปที่เห็นว่าหมดจดเพราะรูปที่เห็น อย่าไปคิดว่าเห็นรูปแล้วจะบริสุทธิ์ได้นะพระพิสุ์อย่าไปถือแบบนั้นนะอย่าไปถือว่าเห็นรูปจะบริสุทธิ์ได้เสียงที่ได้ยินว่าความหมดจดเพราะเสียงที่ได้ยินอย่าไปคิดว่าฟังแค่เสียงแล้วจะทำให้บริสุทธิ์อย่าไปคิดว่าอารมณ์ที่ทราบบ้างความหมดจดมีเพราะอารมณ์ที่ทราบอย่าไปถือว่าแค่ดมกลิ่นลิ้มรสแค่กินแล้วแค่อาบล้างเป็นต้นเนี่ยจะทาให้บริสุทธิ์พระภิสุ์อย่าไปถืออย่างนั้น หรือว่าอย่าไปถือความบริสุทธิ์แค่ศีลบ้างความหมดจดเพราะศีลอย่าไปถือความบริสุทธิ์เพราะวัดอย่าไปถือความหมดจดเพราะวัดแบบนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นภิกษุไม่พึงอาศัยรูปที่เห็นเสียงที่ฟังอารมณ์ที่ทราบศีลและวัดนีนะอย่าไปผู้ฉลาดคือผู้ที่ฉลาดในอรยิยสัจเนี่ยนะกล่าวถึงทัศนะ ท, ที่ที่อาศัยนั้นว่าเป็นเครื่องร้อยเครื่องรัดเครื่องผูกเครื่องมัด อันนะผู้ที่ยึดถือทัศนะแบบนั้นก็ดูหมิ่นคนอื่นว่าเลวเพราะฉะนั้นภิกษุอย่าไปอาศัยแบบนั้นอย่าไปอาศัยคิดว่าจะบริสุทธิ์ด้วยรูปที่เห็นบริสุทธิ์ด้วยเสียงที่ฟังบริสุทธิ์ด้วยอารมณ์ที่ทราบหรือบริสุทธิ์ด้วยศีลด้วยวัดเนี่ยนะครูก็แนะนําต่อไปว่าภิกษุไม่พึงกําหนดทิฏฐิในโลกด้วยยานหรือด้วยศีลและวัดไม่พึงนําเข้าไปซึ่งตนว่าเสมอเขาไม่พึงสําคัญตนว่าเลวกว่าเขา หรือแม้ว่าวิเศษกว่าเขานนตรงนี้ก็บอกว่าอย่ามีทิฏฐิและอย่ามีมานะนนก็เป็นลักษณะของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าธรรมะนี้เป็นธรรมะของผู้ไม่เนื่นช้าเป็นที่มายินดีไม่ไม่ยินดีในธรรมะเป็นที่เนื่นช้าตรงนี้ก็แนะนําว่าไม่พึงกําหนดด้วยทิฏฐิกับมานะทิฏฐิกับมานะเกิดร่วมกับอะไรก็เกิดร่วมกับโลภะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดด้วยอํานาจทิฏฐิกับมานะเลยว่าไง อธิบายว่าพิษโไม่พึงกำหนดแม้ด้วยทิฐิในโลกด้วยยานหรือด้วยศีลและวัดคำว่าไม่พึงกำหนดด้วยทิฐิก็คือไม่พึงให้เกิดไม่พึงให้เกิดพร้อมไม่พึงให้เกิดไม่พึงให้บังเกิดเฉพาะในยานในสมาบัติแปดด้วยยานในอภินยาห้าด้วยมิจฉาญาะด้วยศีลด้วยวัดหรือด้วยศีลด้วยวัดเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันทาให้บริสุทธิ์ไม่ได้นะลาพังตรงๆแล้วอ่ะ ตัวสมาบัติแปดทำให้บริสุทธิ์จากวัตะไม่ได้อภิญญาห้าก็เหมือนกันมิฉายานะก็เหมือนกันหรือด้วยศีลด้วยวัดก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดถืออย่าไปกําหนดทิฏฐิแบบนั้นเพราะทิฏฐิเหล่านั้นเนี่ยคือสําหรับตัวทิฏฐิเนี่ยนะทำให้บริสุทธิ์ไม่ได้อะ น, นะที่เป็นมิจฉายทิฏฐิเนี่ยไม่พึงนําเข้าไปซึ่งตนว่าเสมอเขาเนี่ยนะคืออย่าไปอย่าไป มีมา n a นะอย่าไปเสมอเขาก็คือด้วยอำนาจมานะว่าเราเป็นผู้เสมอเขาด้วยชาติอย่าไปคิดแบบนี้อย่าไปคิดว่าเราเสมอกันด้วยโคตรด้วยบุตรแห่งสกุลด้วยความเป็นผู้มีรูปงามด้วยทรัพย์ด้วยการปกครองหน้าที่การงานศิลปศาสตร์วิทยาฐานะการศึกษาปฏิพันธ์หรือวัตถุอื่นๆนะอย่าไปอาศัยขันอ่ะไปไปเปรียบเทียบกับเขาอ่ะไม่ต้องรบกันไม่พึงสําคัญตนว่าเลวกว่าเขาหรือว่าวิเศษกว่าเขาเนี่ยนะอย่าไปสําคัญตนว่าเี่ย ตัวเองเนี่ยวิเศษกว่าเขาเลวกว่าคนอื่นด้วยชาติด้วยโคดด้วยบุตรแห่งตระกูลรูปด้วยทซั์ด้วยการปกครองหน้าที่การงานศิลปะวิทยาฐานการศึกษาปฏิพานหรือด้วยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าไปเอาสิ่งเหล่านี้สําคัญว่าเลวกว่าคนอื่นแล้วก็ไม่พึงนําเข้าไปซึ่งตนว่าเราเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐกว่าคนอื่นอย่าไปมีมาหน้ว่าดีกว่าคนอื่นด้วยชาติโคด บทแห่งสกุลรูปงามด้วยซับการปกครองหน้าที่การงานศิลปะวิทยาฐานะการศึกษาปฏิภาณหรือวัตถุอย่างอื่นว่าตัวเองเนี่ยเจ๋วกว่าคนอื่นคืออย่าไปมีมานะแบบนั้นโดยสรุปก็คือว่าไม่พึงกำหนดแม้ทิฐิในโลกด้วยยานหรือด้วยศีลและวัดไม่พึงนำเข้าไปซึ่งตนว่าเสมอเขาเลวกว่าเขาหรือว่าวิเศษกว่าเขา แปลโดยสรุปว่าอย่าไปมีตันหามานะทิฐิเลยอย่างนั้นเถอะอย่าไปยึดในตันหามานะทิฐิเลยทวนอย่ั้นถ้าจะละตันหาเนี่ยพิจารณาอย่างไงนะจริงก็ละตันหาพิจารณาโดยความเป็นทุกข์ใช่ไหมละตันหาพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงละมานะพิจารณาโดยความเป็นอนัตตละทิถิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าอย่าไปสําคัญด้วยอำนาจตันหามานะทิฐิก็คือให้ไปเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็น อนณาตาในสิ่งเหล่านั้นนั่นเองนรชนนั้นละตนแล้วไม่ถือมั่นไม่ทำนิสัยแม้ในเพราะญาณเมื่อชนทั้งหลายแตกกันนรชนนั้นก็ไม่เล่นไปกับพวกไม่ถึงเฉพาะซึ่งทิศทีอะไรอะไรยันนะคำว่าละตนก็คือละความเห็นว่าตนนเขาเรียกว่าตนของตนก็ยังไม่มีอ่างน้นะจะเอาอะไรมาเป็นตนน่ะเอาตาหูจมูกเล้นกายใจใช่ไห ม, มาเป็นตน เราาส่วนไหนมาเป็นตนเพราะฉะนั้นอย่าถื อ, อให้ละความเห็นว่าตนซะคําว่าละตนได้แล้วก็คือละความยึดถือนะละละความยึดถือคําว่าละตนแล้วได้แก่ละเวน้นบรรเทาทําให้สิ้นสุดทําให้ถึงความไม่มีซึ่งความถือมั่นความถือถือมั่นยึดมั่นติดใจน้อมใจไปด้วยสามารถแห่งตันหาและทิฐิอย่าไปสําคัญตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยตันหาและทิถิว่าเป็นตนเนี่ยนะเป็นของของตน ละตนแล้วไม่ถือมั่นคําว่าไม่ถือมั่นไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานสี่นะถ้าอุปาทานสี่จะยึดตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นตนเนี่ยยึดยังไงก็ยึดว่านั่นเรานั่นของเราใช่ไหมอย่างหนึ่งยึดว่าเที่ยงบ้างยึดว่าสุขยึดว่างามยึดว่าอัตตาเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดแบบนั้นนะอย่าไปยึดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเที่ยงว่าสุขว่างามว่าอัตตานรชนนั้นไม่ทํานิสัยแม้ในเพราะยานความว่า ไม่ทำตันหานิสัยหรือทิฏฐินิสัยคือไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดพร้อมไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดเฉพาะในเพราะยานในสมาบัติ8ปในเพราะยานในอภินยาห้าหรือในเพราะมิจฉายาะมันก็อย่าไปอาศัยสมาบัติ8อาศัยอภินยาหอาศัยมิจฉาทิฐินเนี่ยยึดถือนะงงนเมื่อนรชนทั้งหลายแตกกันนรชนนั้นก็ไม่เล่นไปกับพวก คือเมื hmm. ่อนรชนทั life, life, life, ucht, life, of of ้งหลายแตกกันเนี่ยนะคนทั้งหลายก็แตกกันแตกกันยังไงบอกว่าถึงความเป็นสองฝ่ายเกิดเป็นสองพวกมีทิฏฐิต่างกันมีความควรต่างกันมีความชอบใจต่างกันมีลัทธิต่างกันมีทิฏฐินิสัยต่างกันมีฉันทาคติถึงโทสาคติถึงโมหาคติถึงพยาคติคือพวกลัทธิทั้งหลายเนี่ยในที่สุดมันก็ต้องแตกแยกกันนะนีมันก็แตกแยกกันเป็นพวกเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นหมู่เป็นเหล่า เมื่อแตกแยกกันอย่างนั้นก็อย่าไปเล่นไปกับพวกพันนรชนนั้นย่อมไม่ถึงฉันทาคติไม่ถึงโทสาคติโมหาคติพยาคติไม่ถึงด้วยอำนาจราคะโทสะโมหะมานะทิทฐิอุทะจักกุกุจาวิจิกิจฉาอนุสัยไม่ไปดำเนินไปลอยไปเลื่อนไปเล่นไปในเพราะธรรมทั้งหลายอันเป็นพวกนะอย่าไปอาศัยสิ่งเหล่านั้นด้วยอำนาจกิเลสแล้วก็แตกแยกกันเป็นพวกอ่างนั้น คำว่าไม่ถึงเฉพาะแม้ซึ่งทิฐิอะไรๆมีความว่าทิฐิ62อันนรชนนั้นนะละตัดขาดสงบระงับควรทำให้ไม่เกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานเพราะฉะนั้นอนรชนนั้นไม่ถึงเฉพาะไม่มาถึงเฉพาะซึ่งทิฐิอะไรอะไรเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ถึงเฉพาะแม้ซึ่งทิฐิอะไรอะไรเนี่ยนะก็อย่าไปยึดถือด้วยอำนาจทิฐิอะไรอะไรเหมนน พอพวกที่ยึดถือเนี่ยนะก็ยึดถือด้วยทิฏฐิใช่ไหมไอการที่จะละเนี่ยนะละทิฏฐิเนี่ยคือการพิจารณาขันห้าละสกายทิฏฐิพิจารณาปัจจัยของขันห้าละวิจิกิจฉาหรือละอหิตุกะทิฏฐิหรือละวิสมะหตุกะทิฏฐิพิจารณาโดยความเป็นกลุ่มคือทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยาบละเอียดอันนะโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตาก็จะละความสําคัญว่าเราว่าของเรา ถ้าพิจารณาเห็นเหตุเกิดละอุเฉ ท, ทิฏฐิถ้าพิจารณาถึงความดับก็ละสัสตตทิฏฐิเพราะฉะนั้นการพิจารณารอบรู้จนถึงมีความเข้าใจายอย่างดีเนี่ยนะก็จะละความยึดถือว่าตนไม่ถือมั่นไม่ทำตันหานิสัยไม่ทาทิฏฐินิสัยเนี่ยนะในเพราะยานนั้นไม่ยึดถือแม้กระทั่งในอภินยาในสมาบัติเนี่ยนะ แล้วก็ไม่เล่นไปกับพวกถ้าเขามีการแตกแยกกันก็อย่าไปเข้าถึงความเป็นหมู่เป็นพวกเขานะวนนความตั้งไว้ซึ่งส่วนสุดทั้งสองย่อมไม่มีแก่พระอรหันตะขีนาศเพื่อพบน้อยพบใหญ่ในโลกนี้หรือโลกหน้าพระอรหันตตะขีนาศนั้นย่อมไม่มีเครื่องอยู่อะไระไรย่อมไม่มีการถึงความตกลงในธรรมทั้งหลายแล้วถือมั่น ตรงนี้ก็พูดถึงว่าผ้ารหันเนี่ยไอการตั้งไว้ในส่วนสุดเนี่ยไม่มีนะแล้วก็ผ้ารหันเนี่ยท่านไม่ได้ตั้งไว้เพื่อพบน้อยพบใหญ่คือท่านไม่ได้มีความต้องการพบน้อยพบใหญ่หรือโลกนี้หรือโลกหน้าผะารหันเนี่ยไม่ตกลงใจแล้วยึดถือในอะไรสักอย่างนะนะเพราะผ้ารหันเนี่ยไม่ยึดถือด้วยอำนาจตันหาและทิฐิซึ่งอธิบายว่า ความตั้งใจซึ่งส่วนสุดทั้งสองย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์ตะขีนาศใดเพื่อพบน้อยพบใหญ่ในโลกนี้หรือโลกหน้าความว่าพระอรหันตขีนาศเนี่ยนะที่ไม่ยึดถือในส่วนสุดส่วนสุดก็คือผัสสะเป็นส่วนสุดที่หนึ่งผัสสะสมุทัยเป็นส่วนสุดที่สองเนี่ยนะก็ผัสสะคืออะไรก็จกักขูสัมผัสโสตค า, านาชิวหากายสัมผัสเนี่ยนะมโนสัมผัสผัสสะสมุทัยก็คืออายตนะเนี่ยนะ Grammar, ภาษะเป็นส่วนสุดที่หนึ่งภาษาสมุทัยก็เป็นส่วนสุดที่สองอดีตเป็นส่วนสุดที่หนึ่งอนาคตก็เป็นส่วนสุดที่สองสุขเวทนาเป็นส่วนสุดที่หนึ่งทุกเวทนาก็เป็นส่วนสุดที่สองนามเป็นส่วนสุดที่หนึ่งรูปเป็นส่วนสุดที่สองอายตนะภายในหเป็นส่วนสุดที่หนึ่งอายตนะภายนอกหเป็นส่วนสุดที่สองสกายะเป็นส่วนสุดที่หนึ่ง อุปาทานขันหนะเป็นส่วนสุดที่1สกายะสมุทัยเป็นส่วนสุดที่สองเพราะฉะนั้นพาาระหันเนี่ยท่านไม่มีความตั้งใจเนี่ยในในส่วนสุดแปลว่าไม่มีความยึดถือไม่มีความตั้งไว้ในผัสส ะ, ะอดีต น, นะภาษาภาษาสมุทยัยอดีตอนาคตสุขเวทนาทุกเวทนานามรูปอายตนะภายในายอายตนะภายนอกสกายะสกายะ ส, สมุทยัยเนี่ยนะอันพาสหาันท่านไม่มีการยึดถือไม่มีการตั้งไว้ด้วยอํานาจของตันหาที่เรียกว่าไปยึดถือไปผูกพันพัวพันในในสิ่งเหล่านี้เลยทว่าโดยสรุปก็คือพาสหันเนี่ยท่านไม่มีความผูกพันรักใคร่พอใจอาลัยใยดีอาวอนอยู่ในภาษะ ภาษาสมุทัยอดีตอนาคตปุขเวทนาทุกขเวทนานามรูปอายุตนะภายในอายตนะภายนอกสกายะสกายะสมุทัยท่านไม่ได้ตั้งตันหาไว้ในนั้นเลยเพราะท่านพิจรารณาเจริญวิปัสสนาจนเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในสิ่งเหล่านี้แล้วคำว่าเพื่อพบน้อยพบใหญ่ได้แก่เพื่อพบน้อยพบใหญ่พบน้อยพบใหญ่ก็แบ่งก็คือกรรมวัดกับวิปากวัเนี่ยนะ กรรมวัตวิปากวัตรในกรรมมพกรรมวัตวิปากว yeah. ัตร <tr extreme TS 1> ในรูปประพบอนะกรรมวัตวิปากวัตรในอรูปประพบเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวัตตะคือกรรมวัตวิปากวัตรในกรมมพบรูปประพบอรูปประพบนั่นเองคือท่านไม่ได้ตั้งตั้งหรือยึดถือสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะยึดถือสุขเวทนาทุกเวทนาเนี่ยเพื่อความเกิดในภพบ่อยๆเนี่ยท่านไม่ได้ต้องการแบบนั้น เพื่อความเป็นไปเพื่อความเข้าถึงเพื่อปฏิสนธิเพื่อบังเกิดเพื่ออัตภาพอะ่ะคือท่านไม่ได้ตั้งใจไว้เพื่อการเกิดในภพใดๆเลยเพราะฉะนั้นก็าบอกว่าไม่ได้ตั้งไว้เพื่อโลกนี้หรือโลกหน้าโลกนี้คืออัตภาพของตนคือไม่ได้ตั้งไว้อ่ะยินดีในอัตภาพของตนนะหรืออัตภาพของผู้อื่นเรียกว่าโลกหน้าโลกนี้ก็คือขันท่าของตนโลกหน้าก็คือขันท่าของผู้อื่นโลกนี้คืออายตนะภายในหโลกหน้าคือ อายตนะภายนอก6โลกนี้คือมนุษยโลกโลกหน้าคือเทวโลกโลกนี้คือกามธาตุโลกหน้าก็คือรูปธาตุอรูปธาตุโลกนี้คือกามธาตุรูปธาตุโลกหน้าก็คืออรูปธาตุความตั้งไว้ซึ่งส่วนสุดทั้งสองย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์ตะขีนาศใดเพื่อพบน้อยพบใหญ่ในโลกนี้หรือโลกหน้าความว่าความตั้งใจไว้ซึ่งส่วนสุดทั้งสองย่อมไม่มีไม่ปรากฏ ไม่เข้าไปได้แก่พระอาหารหันตตะขีนาศบใดเมื่อพบน้อยพบใหญ่ในโลกนี้หรือโลกหน้าเพื่อความตั้งไว้นั้นเป็นกิริยาอันพระขีนาศบใดละตัดขาดสงบประงับดับเสียแล้วทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานเพราะฉะนั้นพระอาหารหันเนี่ยท่านไม่ได้ตั้งไว้เพื่อส่วนสุดทั้งสองหรือไม่ได้ตั้งไว้เพื่อพบน้อยพบใหญ่ในโลกนี้หรือโลกหน้าเนี่ยนะ สรปว่าพระอรหันต์ท่านไม่ได้มีความยึดถือมีความผูกพันติดในอะไรแม้แต่อย่างเดียวเนี่ยนะไม่มีความยึดถือยึดติดด้วยอํานาจตันหาอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยว่างั้นสํานวนว่าไม่มีอาวรนเนี่ยนะไม่มีฉันทราคะไม่มีเสนหาในอารมณ์เหล่านั้นเลยพระอรหันตะคีนาศพนั้นไม่มีเครื่องอยู่นะนะคําว่าเครื่องอยู่ก็อยู่ด้วยตันหาและทิฏฐิเนี่ยนะพระอรหันต์นั้นท่านไม่ได้อยู่ด้วยอํานาจของตันหาและทิฏฐิ ผพระอาหานตะขีนาศพนั้นไม่มีเครื่องอยู่ด้วยตันหาและทิฏฐินั้นะ่ะเครื่องอยู่นั้นไม่มีไม่ปรากฏย่อมไม่เข้าไปได้คือเป็นธรรมะอันพระขีนาศพนั้นะละตัดขาดสงบประงับทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานพรารามเนี่ยเผาตันหาเผาทิฏฐิเรียบร้อยแล้วงเพราะฉะนั้นพระอารามตะขีนาศพจึงไม่มีเครื่องอยู่ด้วยตันหาและทิฏฐิ